เห็นจะเป็นเพราะว่าแกรักพ่อผมเหมือนลูก<ๆ>ก็เลยรักผมเสมือนหลานแท้ๆตาอ่าเนี่ยมันรักหลานกับคนอื่นเนี่ยมันจะขี้เหนียวอูเรียกว่าขี้เหนียวสุดๆเลยละ่ะย่ายอดเคยกระเซาไอ้หนูหลานข้ามันเรียนกรุงเทพโตขึ้นเนี่ยมันต้องได้ทำงานดีเป็นเจ้าคนนายคนปู่อ่าชอบอวดกับชาวบ้านแกเรียกผมว่าไอ้หนูจนชินปากจนผมเข้ามัธยมศึกษาตอนปลายกาลังจะเข้าสอบเ n นทรน์